เราอยู่เฉยๆเสีิตะกศิลานี่แหละไม่ต้องไปกรุงปาตาลีบุตรท่านกลัวตายหรือเจ้าชายตรักอย่างเกลี้ยกลาดหาไม่ได้องค์ชายกล้าวกระหม่อมไม่ได้กลัวตายกลาวเป็นในกองคนหนึ่งของพระองค์พร้อมเสมอที่จะสละชีพเพื่อพระองค์แต่ในกรณีนี้กล้าวเห็นว่าเจ้าชายอาโศกก็เป็นพระอนุชาของพระองค์เอง